ท้ายของไรเฟิลที่หลุดมือทิ้งลงนั่นเองส่วนปลายของมันกระทบเข้ากับศีรษะของหนานอินผู้กําลังนอนดิน้นรนอึกอกักอึก อ, กอั ก, อ, กอยู่โดยแรงทำให้พรางครูผู้เท่าพ้นจากภาวะที่เหมือนมีอะไรมากดทับไว้นั้นพลิกตัวนอนคว่ำตะครุบไรเฟิลของหล่อนขึ้นมาได้พร้อมกับตะโกนสุดเสียงนายญิงอย่าถอดพระพร้อมกันจุด300เวย์เบีของดาริน ซึ่งบัตรนี้อยู่ในมือของหนานอินก็ระเบิดกำปั้นหน้าในนรกแห่งความเงียบสะเทือนลั่นไปในถ้ำกลางบรรยากาศอันสงบงันนั้นดารินวราริศสะดุ้งสุดตัวสตปกลับคืนมาเป็นของหล่อนทันทีสิ่งที่เห็นร่างของไอ้ผีดิบพะงะออกไปอีกสองสามเก้าและก่อนที่จะทันไหวไกายแต่อย่างใดอมนุษย์ตัวมหมานั้น ก็พุ่งปราดมาชิดตัวหล่อนมีอาการเหมือนจะโอบช้อนขึ้นแต่ก็อ้าแนขนค้างอยู่เช่นนั้นหุบเข้ามาชิดตัวหล่อนไม่ได้พร้อมกันใครคนหนึ่งซึ่งก็คงจะเป็นหนานอินนั่นเองโจรพรวดก็ามาชิดตัวหล่อนเพียงข้างกระแทกปากกระบอกปืนเข้าไปที่อกของมันพร้อมกับเหนียวไกกึกก้องขึ้นไป็นัดที่สองครืนสนั่นอนมนุษย์ถอยด้วยก้าวยาวๆของมันเข้าไปในหมู่หิน ดวงตาทั้งคู่ลุกชนเป็นไปไม่ได้ที่ระยะเผาขนแค่นั้นกระสุนทั้งสองนัดของนานอินจากไรเฟ้นที่นักรลอนทันตกไว้จะผิดเป้าหมายถ้าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ป่าที่มีเลือดเนื้อวิญญาณปกติก็คงจะหักพับสองท่อนไปแล้วด้วยแรงประทะมหาศาลแต่นี่มันยังเคลื่อนไหวอยู่เป็นปกติเพียงแต่ถอยครูเท่านั้น นันอิงยิงพร้อมกับเอาตัวกระแทกลอนโดยแรงตะกอนสนั่นไปทั้งแคมว่านา ย, ยิงเป็นอะไรไปยืนนิ่งอยู่ทําไมมันเอาเราแล้วเมื่อนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างจึงกลับคืนมาเป็นตัวของหลอนแตรอนก็ยังหมุนคว้างทําอะไรไม่ถูกนั น, นอิงยิงไปนัดที่สามตามไปในเงามืดนั้นเสียงหัวกระสุนความเร็วสูงเจาะผ่านอะไรชนิดหนึ่ง ันลุกออกไปกระทบโคดหินด้านหลังห่างออกไปเกิดประกายไฟแลบวับแล้วก็ส่งไรฝั่นกระบอกนั้นที่ร้อนชาคืนให้หล่อนในลักษณะยัดเยียดตนเองก้มลงคว้าจุดสามห้าเจ็ดแม็กประจมือที่วางอยู่ตรงที่นอนขึ้นมาได้ก็กระชากแขนหล่อนให้วิ่งเข้ามากลางแคมป์ตะโกนโวยวายปลุกทุกคนขึ้นด้วยเสียงละล่าละลักดังเอ็ดอึงไปหมด เชษฐาชยยันและอนุชาก็พลันทะลึ่งพรวดขึ้นจากที่นอนพร้อมกันหมดเหมือนคนที่เพิ่งจะพ้นจากภาวะผีอัมเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรดูเหมือนว่าทั้งสามคนจะตะโกนขึ้นพร้อมกันเป็นเสียงเดียวเห็นถางออกมาพร้อมกับไรเฟิลและไฟฉายสาดวูบว่าไปมาพวกลูกหาก็คืนสติตื่นกำลังจะงุ่งงามกันขึ้นมาใช้ไฟไวใช้ไฟไว ระวังจะยิงถูกกันเองมีอะไรเข้ามาเดินแกะอยู่ในกลางพักของเราอีกสองตัวมีเสียงอยู่เท่าไรหนานอินก็ตะโกนออกไปจนหมดเนื่องจากก่อนที่จะแยกกันเข้านอนทุกคนในคณะมีการนัดแนะซักซ้อมเตรียมรับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วดังนั้นแม้จะไม่รู้เหนือรู้ใต้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตางตึงขึ้นมาด้วยกำบ้านาศเสียงปืนปานฟ้าแตก และเสียงตะโกนเตือนสติจากนั้นอีกเช่นนั้นพวกลูกหาจิงทิ้งตัวลงนอนรับกับพื้นทันทีชวนเชยดขาอนุชาและชัยยันที่โดนตะลีตาลานกันออกมาก็ซุตัวลงนั่งคุกเขา่าไฟฉายประกบกระโจมมือกราดไปโดยรอบแล้วร่างวิกลวิการอันผิดไปจากสภาพของลูกหาทั้งสองร่างที่ยืน อ, อยู่กลางปางพักก็ตกอยู่ในเป้าไฟฉายพัน ลักษณะของมันแยกออกไปได้ชัดมากเมื่อเทียบกับลูกน้องเฮ้ยนั่นใครทำไมมันรูปร่างใหญ่โตแบบนั้นวะเสียงชายยันร้องแต่เชษฐาอนุชาไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่ น, น้อยจุดสีห้าแปดทั้งสองกระบอกของพี่น้องนักะจัยไพ่เปิดปี๊บ พ, พ, พ, พร้อมพร้อมกันตุ่มแรกเป็นของเชษฐา ให้ตัวที่กําลังปีเข้ามาผลก็ลําคอนั้นพักหอยร่องแรงทันทีทำให้มันชะงักแล้วเปลี่ยนทิศออกก้าวยาวๆาวบหน้านะจะหลบเข้าไปในโคตินขณะที่อนุชา ย, ยิงเปล่าเขาไปที่กะละหลกด้านข้างของอีกตัวหนึง่งชิ้นส่วนหนึ่งในสี่ของทรงใบหนะ้ากระเด็นแหวงวิ่นไปในพริบตาเหมือนตอไม้ที่ถูกขวานจาง ชื่นชัยยันนั้นอ้าปากตะลึงคาแล้วอึจใจต่อมานั่นเองเสียงปืนจากพวกลูก้าก็แสสนันขึ้นแทบทุกทิศทางซึ่งแต่ว่าใครจะนอนอยู่ทางด้านไหนและเห็นภาพในมุมใดดานเมื่อสติกลับมาแล้วเช่นนี้มันก็คือแม่พรานสาวมือดีแห่งคณะนั่นเองทิ้งตัวลงนอนราบกับพื้นพอดีในเวลาเดียวกัน ก็ล ว, วกเขาขาของหนานอินที่กาลังจะเล่นเข้าไปให้ขมาหน้าลงด้วยเพราะวิธีกระสุนขนาดนี้สาดรมาจากมุมต่างๆประสานกันวนไปหมดกระทบต้อนหินรอบได้าแต่กระจุยกระจายเป็นสะเก็ดพรุรประกายไฟแรกวูบว่าทั่วบริเวณไฟฉายในมือแต่ละคนแต่ละด้านก็สองจ้าพร้อมกันขึ้นหมดอย่างน้อยก็เป็นการประกาศทิศทางว่า ใครอยู่ทางด้านใดในขณะ น, นี้เสียงกขยินแหกปากวกเวกมาจากด้านที่มันนอนอยู่และเสียงปืนลูกซองของมันก็แตกตูงตามทียิกอยู่ตรงบริเวณนั้นตลอดทั้งปากทักณะ น, นี้เป็นเหตุการณ์ชุลมุนชนิดที่ต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่สามารถจะรู้แนะ่ว่ามันได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทํานองไหนหรือจะรู้ก็รู้ประการเดียวว่าภัยมืด เข้าถึงตัวแล้วและบุคคลแรกที่ร้องปลุกเตือนทุกคนใ้ปืนขึ้นมาก็คือหนานอินดารินนั้นพอกระชากขาพานผู้เทาลม้มคมั่ลงเป็นการป้องกันไม่ถูกกระสุนฝ่ายเดียวกันแล้วหลอนก็บันจุกระสุนไรเฟิลของหลอนที่หนานอินเป็นคนยิดไปยิงในเสี้ยววินาทีวิกฤตนั้นทดแทนเข้าไปทันทีอย่างรีบด่วนไม่สนใจกับไอ้ผีดิบมืนปีสองตัวซึ่งบัตรนี้ กำลังตกเป็นเป้าสันโวของลูกปืนจากรอดทิศหากแต่พลิกตัวกลับสาด์ไฟฉายไปทางด้านี่มันไทลหลบหายไปนั้นหลอนมองไม่เห็นอะไรซะแล้วอยากลํำไฟฉายในมือนอกจากความว่างเปล่ า, ากับร้อยแปกคาวเวอร์ของโคดิอันเกิดจากกระสุนจุด3 0ศูนย์เวเทอร์แม็กของหลอนเองที่นันอินเป็นคนช่วยขึ้นมายิงใส่มันไปทางด้านเพื่อน พี่ชายและพวกลูกหาบทั้งหลายภายในแคมป์ก็ซัด ก, กันอยู่ราวกับประทัดแปกมีเสียงใครคนหนึ่งร้องลั่นแทกขึ้นมาว่าดูนั่นยิงยังไงยังไงมันก็ไม่ยอมลงจริงดังว่าท่างกลางล้ำไฟฉายไม่น้อยกว่าห้ากระบอกที่ศาจ้าไปจับอยู่ที่ร่างผ้อมสูงซึ่งใบหน้าซีดถูกกระสุนไรเ้เฟ้นแรงฤทธิ์ของอนุชาหรือผันชน แบะหายไปเสี้ยวแล้วบัตรนี้ยังคงเดินเฉยเหมือนหุ่นยนต์มีใยที่กระสุนานานาชนิดจะระดมพุ่งเข้าไปที่ร่างของมันทะลุผ่านรอบตัวไม่ว่าจะเป็นหัวลูกโดดของลูกซองหรือหัวอันหนักนวงอันหนาเจาะทะลวงสูงของไรเฟิลคงเห็นแต่เพียงเศษวัตถุต่างๆอันประกอบขึ้นเป็นร่างของมันปลิวกระจายเป็นขุยเป็นกเก็ษ หรือไม่ฉะนั้นก็เป็นฝุ่นว่อนไปทั่วตามแนวทางที่มันกำลังเดินหนีเข้าบังเหลี่ยมหินท่านตามการจ้อตะลึงค้างของตัวที่อนุชาเปิดากระดยิงขึ้นเป็นตัวแรก ข, ของด้านฝ่ายในแคมป์หลบบังมุมหินไปแนละ้วอดีตแพรชดขยับจะลุกขึ้นไปตามร้อมบอกไปทางพักพวกให้หยุดยิงทางด้านนั้นก่อนโดยจะเล่นตามยิงให้ถึงที่ชนิดถึงไหนถึงกัน แต่ใครใชัยันกระชากขาลม้มลงตามเดิมกดตัวไว้รอมละล่าละลักอยู่กับที่กลางอย่าตามมันออกไปอย่างเด็ดขาดฉันจะตัวมันให้ได้อยากรู้ว่ามันคืออะไรอนุชาแผดเสียงพยายามลุกขึ้นให้ได้แต่ชัยันฉุดตัวนี่เสิยงเชษดถากระหืดกระหอบบอกมาว่าชัยันเอาตัวกลางไว้ย้ายออกไปยังไม่ทันพูดคำจบ เขาก็บายปากกระบอกปืนตามไปร่างที่ขอหักพับไปแล้วแต่ยังเดินลัดเลาะไปตามงูโคหินเหมือนจะหาทางซอกซอนหนีออกไปให้พ้นบริเวณนั้นแต่ด้วยไหวพริบปฏิพันฑ์ของราชสกุลพี่ใหญ่แทนที่เขาจะยิงไปยังจุดสำคัญอื่นใดในร่างกายของมันอีกคราวนี้กดศุนแว บ, บลงมาที่บริเวณข้อเท้าอันใหญ่โตที่ก้าวชึบอยู่นั้นกด โ, โตมเข้าไปให้ ขนทันตาเห็นต่อมาก็คือร่างมหนคืมานั้นเสียการทรงตัวจากสภาพที่ยืนและเดินสองขาของมันดังว่ามีมืออันทรงพลังมากระชากขาฉะนั้นมันล้มฟาดลงกับพื้นเหมือนเสาไม้โทนสถึงกระแทกลงกับพื้นพลัดได้ยินขนัดแล้วกลิ่งห่างขนโขดหินออกมาสองตลบแน่นี่อยู่ตรงนั้นเฉถากัดมีปากแน่น กระชากลูกเลื่อนเอานัดใหม่เข้ารางเพลิงแล้วจ้องปืนระวังพร้อมไฟฉายสำหรับเขาไม่จำเป็นแล้วเพราะใครต่อใครช่วยกัน่องจับไว้รอบด้านเห็นถนัดที่สุดกะว่าถ้ามันลุกหรือขยับขยืน่นเขาจะกระนำต่อไปด้วยหัวกระสุนน้ำหนัก5้าร้อยกรนแรงประทะกว่าสองตันมันเป็นที่พิสูจน์เห็นชัดกับตาแลวว้วขนาดยิงก้านคอกระดูกหักพับห้อยลงมา มันยังไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเดินได้เป็นปกติดีโดยทำท่าจะพละหนีไปเมื่อคนในแคมรู้สึกตัวแต่พอเขาเปลี่ยนเป้าหมายใหญ่โดยยิงไปที่ข้อตีนอันเป็นที่ใช้ทรงกายหักกระดูกส่วนนั้นลงมันก็ล้มทันทีเหมือนกันเหมือนเสาถูกเลื่อยตัดโคนไม่มีผิดแต่บัดนี้มันนิ่งเหมือนท่อนหินภายหลังจากลม้มลงแล้ว เสียงพวกลูกหาบตะโกนกันแซ่วะอยู่แล้วนายอยู่แล้วไอตัวนั้นอยู่แล้วเสียงปืนสงบนิ่งลงชั่วขณะเชษฐาอนุชาและชยันลุกขึ้นมาอยู่นายชวนหัวหน้าลูกหาปล่นเข้ามาที่กลุ่มเขาก่อนพร้อมกับวอยพูดอะไรเร็วปือด้วยความตื่นตกใจฟังไม่ได้สักเชษฐาเองขณะนั้นก็งงไปหมดแยกเขี้ยว ดวงตาทั้งคู่รีลงไฟฉายคงจับอยู่เฉพาะร่างนะช้ยันกระโดดเข้าไปที่เพิงพักนอนตะเกียงแบตเตอรี่ที่มีอยู่กี่ดวงที่ตั้งเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วก็เปิดสว่างจา้าขึ้นอนุชาก็ร้องบอกให้พวกลูกหาที่เพิ่งจะโผล่ขึ้นมาจากซอกกบาบังต่างๆรอบด้านระหว่างยิงกันหูดักตับไห้เร่งให้ใส่ไฟเข้าไปในกองแล้วโหมขึ้นพร้อมทั้งดาคโมงฉงเฉง เขาไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดกองไฟทุกกองจึงหมดดับลงหมดเหลือแต่เชื้อเพลิงเล็กน้อยเท่านั้นเชื่อนั้นก็ไม่ทราบ ว, ว่าขณะนี้น้องสาวไปอยู่เส้อที่ไหนตะโกนเรียกขึ้นพร้อมกับถามไปยังบรรดาลูกหาทั้งหลายตัใจเดียวก็ได้ยินเสียงตอบมาด้วยเสียงแหบข้าว่าอยู่นี่คะ่ะพี่ใหญ่อย่าห่วงเลยคะ่ะปลอดภัยเรียบร้อยดีทุกอย่างคะ่ะ พร้อมกับเสียงนั้นร่างของรา ช, ชสกุลสาวก็เดินจ้ำเข้ามาพร้อมกับครูแพรนผู้เท่าซึ่งบัดนี้หน้าของแกซีจนเขียวกายสันเทิมไปหมดแม้แต่นายชดประชากรเองก็ยังไม่เคยเห็นหนานอินมีลักษณะอย่างนี้มาก่อนพอเข้าถึงก็ตรงเข้าไปจับแขนเจ้านายโดยตรงของแกไว้คือพรานชดพูดอะไรกันเร็วหรือชนิดคนอื่นจับฟังไม่ถนัด ชายันสั่งให้หัวหน้าลูกหาดสัมรวจบรรดาลูกน้องทันทีว่าทุกคนยังอยู่ครบหน้ากันหรือไม่ส่วนดารินนั้นพอเข้ามาถึงเชืฐาก็ตะครุบตัวไว้เขย่าโดยแรงน้อยอะไรกันนี่เกิดอะไรขึ้นและเมื่อกี้นี้ก่อนที่พวกเราทุกคนจะตื่นขึ้นมาน้อยไปอยู่ที่ไหนดารินตอบไม่ถูกริมฝีปากสัน่น หล่อนเองก็ตกใจแทบจะควบคุมสติไว้ไม่ได้เช่นกันขณะที่เสียงปืนเริ่มระเบิดขึ้นเป็นนัดแรกแล้วก็กลายเป็นระดมยิงกันสนันวันไหวไปหมดทั้งบริเวณแคมป์ลูกหาบอยู่ครบหมดทุกคนแต่ไม่ต้องพูดถึงอาการและสีหน้าของคนเหล่านั้นที่มีลักษณะเหมือนเพิ่งตื่นขึ้นมาจากฝันายท่านใดนั้นก่อนคาสักถามใดๆจะได้เรื่องได้ราวเสียงผู้หญิงก็ตะโกนโบกๆมาว่า นายนายมาดูไอ้ตัวอะไรนี่มันถูกปืนนายนอนอยู่เป็นท่อนไม้ตรงนี้นายทุกคนไหวตัวพรึบอีกครั้งแล้วหันไปทางด้านนั้นเป็นจุดเดียวก็เห็นขยิงกำลังยืนอยู่ตรงร่างประหลาด ท, ที่เชิฐายิงตัดข้อตีนของมันล้มกลิ้งอยู่ให้เห็นเป็นพยานหลักฐานอยู่ริมปางผัดตำแหน่งใกล้เคียงกับทิขยิงไปนอนดักปากทางด้าน ด้านนั้นอยู่มากที่สุดโดยไม่ต้องชักชวนอะไรกันอีกเลยทุกสิ่งทุกอย่างยังปล่อยให้เป็นปัญหาตกค้างแต่เชษฐาก้าวพรวดตรงเข้าไปก่อนแล้วแล้วทั้งหมดก็พลูตามหลังเขาเข้ามาด้วยกันและตะเกียงแบตเตอรี่ที่ส่องจ้าอยู่โดยรอบสิ่งนั้นนอนแข็งทื่อในลักษณะที่เห็นชัดๆว่าน่าจะเป็นวัตถุมากกว่าศพของมนุษย์หรือสัตว์ชนิดใด ที่เพิ่งจะเสียชีวิตลงแม้ว่าโดยลักษณะรูปร่างจะดูเหมือนว่าครั้งหนึ่งนานมาสักเท่าใดแล้วก็สุดที่จะคำนวณได้มันอาจจะเคยเป็นมนุษยชาติมา ก, ก่อนหรือวิชนั้นก็ซากเงาไม้ที่ใครมีเจตนาจะแซงแกะสลักขึ้นให้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ฉะนั้นพวกลูกหาบที่เข้ามารุมล้อมอยู่ด้วยร้องลั่นเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ไม่สูงนิแกะว่าเป็นรูปร่างเหมือนคนเลยอนุชาใช้เท้าทดลองเตะสกิดอยู่ตรงบริเวณสีสักของมันเสียงปลายรองเท้ากระทบสิ่งนั้นดังกึกกึกและไหวขยับได้เพียงเล็กน้อยเพราะน้ำหนักอันมากมายรอยกระสุนไรเฟิลขนาดหนักแบบฟูลแพช์หรือหัวแข็งสำหรับเจาะกะโหลกช้างของเชษฐาทะลุจากด้านหน้า มีรอยผ่านออกมาทางด้านหลังเป็นรูขนาดใกล้เคียงกับหน้าตัดของกระสุนนั่นเองไม่ได้สัญญาอาการจะเปิดปากแผลให้เวิร์วเวอร์ออกไปมากมายผิดกับสภาพของเนื้อสัตว์มีชีวิตที่ถูกมืนมองดูคล้ายๆ ย, ยิงผ่านพลุยางรถแทรกเตอร์อันเหนียวแน่นและไม่มีแม้แต่เลือดซักหยด อ, อาจมีลักษณะที่ผิดไปจากยางรถบ้างตรงบริเวณที่กระสุนเจาะผ่านออก โดยเฉพาะตรงบริเวณข้อเท้าคือมีเศษคล้ายๆกระดูกแตกอ้าทิ่มโผล่มาจากรอยทางออกของบาดแผลตรงข้อตีนอันเป็นตำแหน่งที่บางที่สุดเชฐาคงรีตายืนมองดูอยู่เช่นนั้นระหว่างที่อนุชากับนันอินก้มลงไปตรวจ ด, ดูคนละด้านคนหนึ่งด้านหัวอีกคนหนึ่งปลายติด สำหรับดารินั้นเงียบกริบขนตามผิวกายลุกชันก่อนที่ทุกคนในแคมป์จะตื่นขึ้นมาพบกับเหตุการณ์จนกระทั่งเกิดยิงกันสนั่นไปหมดนี่หล่อนเป็นเพียงคนเดียวของคณนะซึ่งตื่นขึ้นมาพบกับไอ้ซาบของอมนุษย์เหล่านี้ก่อนแล้วซ้ำยังได้เดินเข้าไปดูและพยายามพูดกับมันใกล้ๆเหมือนคนธรรมดาซึ่งมันก็ไม่แสดงอาการยินดียินร้ายอะไรกับหล่อน นอกจากเสือกเข้ามานั่งเฉยในบริเวณแคมป์ที่พักคอยแต่เหลือบมองดูหล่อนอย่างจับสังเกตท่าทีอยู่เหมือนกันว่าหล่อนจะดําเนินการยังไงกับมันครั้นพอจะเข้าใกล้มันก็ลุกขึ้นเดินออกเลี่ยงหางหนีไปพ้นระยะการเอื้อมมือถึงการเคลื่อนไหวการดูเชิงดูท่าทีมันยามนั้นที่มีต่อหล่อนสอชัด ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มีวิญญาณเข้าครองสิงอยู่เพราะว่าในขณะนี้หล่อนยังไม่อยู่ในฐานะที่จะเอ่ยปากเล่าบอกความใดแก่คณะพักทุกคนได้เท่านั้นเพราะอ้าปากไม่ออกด้วยความมุนงงสับสนต่อเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเหมือนภาพฝันแล้วตัวหล่อนเองแรกก็คิดว่าตนเองได้ฝันร้ายไป ถ้าไม่ใช่เพราะพยานหลักฐานที่พี่ชายใหญ่จับตัวมันได้คาหนังคาเขาโดยยิงควางโคโลทิ้งไว้ให้เข้ามารุมล้อมดูกันอยู่ขณะนี้ท่ามกลางทุกสายตาชายันเป็นอีกบุคคลหนึง่งที่จ้องตะลึงอ้าปากค้างและยังพูดอะไรไม่ออกในขณะนั้นนอกอยากจ้องตาไม่กระพริบเสียงพวกลูกหาพูดกันจอกแจกขรมถมเทไปหมด ความหมายของทุกคนก็คือนี่มันตัวอะไรเพราะขณะที่มันเริ่มเคลื่อนไหวจะผลกหนีจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่เห็นนายใหญ่ซักถูกข้อตีนของมันหักทับล้มกลิ้งลงนั้นทุกคนก็มองเห็นอยู่คาตาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรือสัมผัสแตะต้องมันนอกจากจะล้อมดูอยู่เช่นนั้นคงมีแต่อนุชาและหนานอินเท่านั้น แล้วอดีตบ่าวนายคู่ยากในสมัยก่อนก็ร้องบอกกันเป็นความหมายคนหนึ่งจับทางด้านหัวไหลอีกคนหนึ่งจับด้านปลายเทา้าซึ่งแข็งปอกเท่าๆกระท่อนไม้พลิกร่างของมันนอนหงายขึ้นทันทีเสียงร่างที่จับพลิกกระทบพื้นหินบริเวณนั้นดังกึกหินส่งใบหน้าและร่างกายส่วนหน้าได้ถนัดเช่นนั้น พวกลูกหาบก็ฮือกันลั่นพงะหลังออกไปด้วยความตกใจเพราะความน่าสะพึงกลัวของสวดทรงเท้าน่าศพอาบยาคาดคิดว่าภาพไม่ถูกมาก่อนว่ามันจะน่าเกลียดน่ากลัวได้ถึงขนาดนั้นอานุชากับนั้นอินเองก็ถึงกับผงาดไปเล็กน้อยเช่นกันเว้นแต่เชษฐายารินและชยันกับขยินเท่านั้นที่ยืนนิ่งสงบ อยู่กับที่จ้าขมิงโดยเฉพาะชายันร้องออกมาเสียงหนักๆว่านึกออกแล้วจำได้ติดตาเลยไอตัวอย่างนี้เองที่ฉันกัเมเห็นมาสนนับไม่ถ้วนในสุสานใต้ภูเขาที่เข้าไปติดอยู่ด้วยกันตอนหลงกลนมันไรเข้าไปติดขังอยู่ในนั้นจนกระทั่งระพินนงพวกเราไปพบช่องทางและระเบิดปากโพรงหินด้านหนึ่ง ช่วยเอาตัวเราสองคนขึ้นมาได้มันละ่ะใช่ละ่ะมัมมี่ในสุสานของ น, นิทรานครก็น่าจะใช่นะเชษดถาป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดละอองน้ำค้างบนใบหน้าพูดเสียงแหบๆ แ, แล้วมันก็คือไอ้พวกผีดิบหมื่นปีที่บุกเข้าประจันจบานกับเราชนิดเอาเป็นเอาตายโรงปราศาสตพันธุมวดี ซึ่งพวกเราในครั้งนั้นปะทะกับมันอย่างตะลุมบอลจะยิงจะฟันจะแทงทุบตียังไงมันก็ไม่ยอมล้มเต็มไปด้วยพลังงานลึกลับที่ปรีเข้ารุมล้อมจะฉีกเนื้อพวกเราทั้งชุดกระทั่งวินาทีสุดท้ายน้อยบุกเข้าไปกระชากกริดที่ปักตรึงมหาคัมภี์มายาวินใต้แท่นบันทมของพันธุทุมมวดีออกเจ้าพวกนี้จึงล้มเป็นไม้ท่อนหมดริดลงทั้งหมด เหมือนตุ๊กตาไขาลานหรือบังคับด้วยครื่นงวิทยุถูกตัดออกจากการควบคุมบงการเชษฐาและทุกคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นแม่ขยินจำได้ดีไปจนตลอดชีวิตในคณะยามนี้จึงมีเพียงอนุชาหรืออดีตพรานชดนานอินและพวกลูกหาชุดใหม่ที่ร่วมเดินทางมาด้วยเท่านั้น ที่ไม่เคยผ่านพจน์กระสิงประหลาดหน้าตัวชนิดนี้มาก่อนโดยเฉพาะอนุชากระน่ำอินได้รับฟังจากคำบอกเล่ามาบ้างเท่านั้นภายหลังจากมาพบปากกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็เล่ากันให้ฟังว่าต่างผ่านพบหินกับอะไรกันมาบ้างยังไงพี่ใหญ่แน่ใจเลยครับว่าตัวอย่างนี้แหละที่พบกันมาแล้วตอนผ่านนิทราละคร อนุชาถามขึ้นโดยเร็วหน่ายังคงตื่นงงจับต้นชนปลายไม่ถูกอยู่เช่นนั้นก็ลองถามใจยันถามน้อยถามก็ยินนี่ว่าเราพกกันมาแล้วเช่นไรบ้างแล้วถ้ารปินกระพรานของเราทั้งสี่คนรวมทั้งเมและสังปาหากมายืนอยู่ที่นี่ด้วยในขณะ น, นี้ทุกคนก็จะยืนยันเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าเราน้าฟาดไก่พวกนี้มาก่อนแล้วด้วยอํานาจอิทธิฤทธิ์ของเจ้าผีดิบฟันตราย นายมันมันมากันอีกแล้วเนี่ยมันมายังไงนี่นายขยินครางเงยหน้าอันซีพเผือดมองดูเชิดถาเห็นแต่ตาขาวกรอกอยู่ลอกแลกขยินนั้นฝันหนีดีฝ่อไปหมดแล้วนิทรา น, นักอนอนุชาพึงพันมองดูหน้าหนานอินพลางกัดดึงฝีปากแน่น มันก็น่าแปลกอยู่นะพี่ใหญ่ตอนที่ผมกับลุงอินดันด้ น, ดนบุกป่าลึกกันมาเพียงสองคนเราไม่ผ่านพบสิ่งมหัศจรรย์ของนครที่สูญหายไปแล้วอย่างคณะของพี่ใหญ่เล่าในคราวนั้นเลยแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อถ้าไม่ใช่เพราะมาเห็นกระตาอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้นี่มันพวกศพอาบยาในแดนนิทรานาครแน่เลยครับพี่ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกกลางก็ฉันยืนยันอยู่นี่ยังไงล่ะ ไม่มีใครใกล้ชิดกับไอ้ศบอาบยาชนิดนี้มากไปกว่าชันเลเมที่เข้าไปติดอยู่ใต้ภูเขาทั้งคืนหรอกเห็นที่เก็บซากของพวกมันเต็มไปหมดก็เคราะดีอยู่ั้งนะที่ขนาดที่ติดขังอยู่ในนั้น่ะไอ้ตัวชนิดนี้ไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไรขึ้นมาเลยนอกจากนั่งมั่งยืนมั่งนอนมั่งเต็มซอกคูหาไปหมดมีสภาพเป็นของโบราณทางประวัติศาสตร์เท่านั้นถ้ามันดันสื่อเคลื่อนไหวขึ้นมาได้ในตอนนั้นโอ้ ชั้นกับเมย์ก็คงถูกมันฉีกเนื้อเป็นผงไปแล้วคงไม่รอดออกมาได้หรอกมันแปลว่าตอนนั้นน่ะมันไตรยังไม่ได้ใช้เวทมนต์เข้ามาบังคับให้มันมีอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาเท่าที่ตื่นวรวดพลาดขึ้นมาเห็นก็เห็นมันเดินเกะกะอยู่สองตัวพยายามจะหลบเข้าบาังหลังก้อนหินอนุชาพูดโดยน้ําเสียงพยายามข่มความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกถูก ผมยิงไปที่ไอตัวหนึ่งทางด้านขวามือแต่เอามันไม่อยู่เห็นชัดชนะว่าหัวซีกหนึ่งของมันน่ะหลุดกระเด็นหายไปแต่มันก็ไม่ยอมลม้มและตัวนี้พี่ใหญ่ยิงยังไงล่ะครับมันถึงได้นอนแองแมงเหลือเป็นหลักฐานให้เราเห็นได้อยู่นี่พี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะกลางพี่ชายใหญ่บอกด้วยอาการใช้ความคิดหนะักนัดแรกนะตามปกติพี่ก็ยิงไปที่อกมันก่อน ก็เห็นชัดๆว่ากระสุนทะลุผ่านอกมันไปเฉยๆตัวมันเนี่ยยังเดินเฉยอยู่พอนัดสองก็เลยกะหมายไปที่จุดอ่อนคือก้านคอพอตูมเห็นก้านคอมันหักพับลงแสดงว่ากระดูกคอหักหรือแตกละเอียดทําให้ส่วนหัวอันมีน้ําหนักแต่ไม่มีแกนในคือกระดูกดามเอาไว้มันก็เลยหักค้อดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังพยายามจะเดินเลี่ยงอ้อมหลบเข้าหลังหิน ดูที่รอยลูกปืนที่เจาะผ่านตัวมันทั่วไปหมดน่ะซึ่งมันแปลว่าพวกเราทั้งหมดช่วยกันระดมยิงแต่จุดใหญ่ล้วนยิงไปที่อกหรือกลางลำตัวทั้งนั้นลูกปืนทะลุผ่านตัวมันไปเฉยๆไร้ผลเพราะนัดสามพี่นึกยังไงไม่รู้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันก็เลยทดลองยิงไปที่ขาของมันกระสุนตัดเข้าที่กระดูกเหนือข้อตีนเล็กน้อยก็นัดนั้นแหละที่ทําให้มันโคตนลม้มลง เพราะโครงกระดูกที่ใช้ยันร่างหนักของมันนะ่ะเสียดุลทรงตัวจึง ท, ทำให้คว่มลงไปได้อ้่ะอะไรกันนี่มันไปยังไงไมายังไงกันนี่วะพรานชดขยี้จมูกแรงๆพูดน้ำเสียงหนักๆพลางบอกต่อมาว่าถ้าจาไม่ผิดน้อยน่ะเป็นคนบอกเตือนทุกคนให้ระวังในคืนนี้ให้มากที่สุดและระวังที่พวกเราทั้งหมด เดินลอดถ้าตัดทาง อ, อกบ่งน้ําร้อนเมื่อบ่ายที่แล้วพวกเดินหลังก็ได้ยินเสียงคล้ายๆมีอะไรเดินย่องตามอยู่ก็เห็นจะเป็นไอ้พวกนี้แหละก็ใช่แล้วละ่ะในชดไม่มีอะไรสงสัยอีกแล้วก็ไอ้ตัวพวกนี้แหละที่มันตามดูเรามาตลอดก็เดี๋ยวหนานอินจะเล่าให้ฟังว่าหนานอินเห็นอะไรบ้างแต่อย่าให้บอกตอนนี้ก่อนนะย เราไปดูตรงอีกตัวหนึง่งที่ถูกปืนของนายชดหน้าแหว่งไปซีอีกหนึ่งนั่นก่อนดีกว่าครูพรานผู้เฒ่าเอ่ยขึ้นแล้วผละออกจากตรงนั้นฉายไฟก้าวพรวดพรดตรงเข้าไปที่ตำแหน่งซึ่งแกมองเห็นอีกตัวหนึง่งเดินอยู่ระหว่างที่ตกเป็นเป้ากระสุนของอนุชาและพวกลูกหากอีกชุดหนึง่งอันระดมยิงไปยังตัวนั้นทุกคนก็พลูตามกันเข้าไป ไม่กี่อึดใจของการช่วยกันตรวจร่องรอยขยินผู้ส่องไฟดูตามพื้นเหมือนเหมือนกับคนหนึ่งก็ร้องจ้ากออกมาอีกใช้ปากกระบอกปืนลูกซองประจํามือของมันบัดเอาอาวุธอะไรชนิดหนึ่งให้กระเด็นกลิ้งมาตกอยู่กลางกลุ่มของนายจ้างความวาหวาดผวาสยดสยองต่อเหตุการณ์อยู่ก่อนแล้วทําให้ทุกคนแทบกระโดดยองเพราะเสียงของเจ้าอดีตนักเลงโตหลมช้างและสิ่งที่กลิ้งเข้ามา น, นั้น ใช้ยันใช้รองเท้าที่สวนติดเท้าอยู่ส ก, กัดไว้ได้เหมือนจับลูกฟุตบอลพร้อมทั้งเขี่ยในขณะ ท, ที่พักพวกเขามารุมดูอีกอย่างเร่าร้อนใจเ ฮ, ฮ, ฮเสียงใครต่อใครอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันอย่างขยักขยแงวัตถุนั้นเหมือนกะลามะพร้าวผ่าซี่แบบเฉียงๆประมาณหนึ่งในสี่ของลูกแต่เป็นลักษณะของกะลามะพร้าวห้าวขนาดใหญ่โตมโหฬารทีเดียว ขณะที่มันคว่ำอยู่จึงมองเห็นส่วนกระดูกติดหนังแห้งเกราะของบริเวณโหนกแก้มและซี่กรามที่หลุดออกมาข้างหนึ่งเรากับใครเอาขวานไปจามผ่าไว้นี่ยังไงชิ้นส่วนของกระโหลกและกระดูกส่วนหน้าที่กลางยิงแหว่งขาตกไว้ชายันพูดเสียงดังลั่นดารินหลับตาลง กล่กลืนอะไรชนิดหนึ่งลงลำคออย่างสยดสยองขีดสุดชิ้นส่วนที่มองเห็นอยู่นี้หล่อนจำได้ดีคือไอตัวที่สองซึ่งหลอนพยายามจะส่งมือไปให้มันจับอย่างใจดีสู้ผีนั่นเองแต่มันก็พยายามถอยหนีหลอนโดยไม่ยอมเข้าใกล้ระหว่างที่หลอนตื่นขึ้นมาพบเห็นคนเดียวขณะที่คนอื่นหลับหมดในลักษณะถูกสะกด หล่อนจำฟันกรามซีกด้านนั้นของมันได้หัวกระสุนคาลิเบอร์จุดสวินแม็กซ์จากพี่ชายกลางถาแรงมันหลุดออกจากส่วนหัวกระเด็นตกอยู่กับพื้นทั้งกระบิแล้วขยินงก็เดินหาจนพบจากสภาพของชิ้นส่วนกระโหลกที่ถูกแยกออกเช่นนี้ถ้าสัตว์หรือคนที่มีเลือดเนื้อก็ไม่มีปัญหามันต้องกองนิ่งอยู่กับที่ ขาดใจตายก่อนร่างจะล้มถึงพื้นซะด้วยซ้ำไปแต่ไอ้ตัวนี้ยังเดินตัวปลิวหลบหนีไปได้ทิ้งส่วนของร่างกายที่ขาดวิ่นจากร่างส่วนใหญ่หล่นทิ้งไว้ให้ดูเล่นเฉฐาชัยยันและอนุชาสุดตัวลงนั่งล้อมวงดูชิ้นส่วนของกระโหลกน้นในแสงสไฟสว่างจ้าชายันเป็นคนดึงมีดโบวีที่ติดเอวอยู่ ค่อยๆเขียงัดเบาๆพลิกอีกด้านให้ไงขึ้นมาส่วนด้านในดำเป็นขุยแห้งๆกึ่งแข็งกึ่งอ่อนเหมือนฐานที่นำมาตำเป็นผงแล้วอัดยัดไว้โดยเฉพาะตรงบริเวณที่เป็นส่วนกระโหลกอันถูกตัดเซียวเฉียงกระบอกตาขึ้นไปเล็กน้อยสามชายกับพริบตาปริกๆมองตากันเองโดยไม่นัดแนะ่เชิดถาแบมือขอมีดไปจาก แล้วใช้พื้นบูธเดินป่าข้างหนึ่งยันชิ้นส่วนนั้นไว้ใช้ปลายมีดแซงงัดมันหลุดร่วงออกมาเป็นย่อมย่อมบัดนี้ทุกคนเงียบกริบดารินมีอาการขยับขย้อนเหมือนจะอาเจียนถอยห่างออกมาเล็กน้อยตั้งแต่เกิดเรื่องยิงกันอุตลุดในแคมป์หลันเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวโดยไม่ได้ปริปากคาใดเลย เพราะความมึนงงต่อเหตุการณ์ยังไม่ทราบจะบอกเล่าเก้บกระพักพวกได้ยังไงว่าหลอนพบเห็นอะไรบ้างขณะที่พวกนั้นยังหลับสนิทกันอยู่นี่ทุกคนเงียบกริบดารินมีอาการขยับขย่อนเหมือนจะอาเจียนถอยห่างออกมาเล็กน้อยตั้งแต่เกิดเรื่องยิงกันอุตลุดในแคมป์หล่อนเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวโดยไม่ได้ปริปากคาใดเลยเพราะความมึนงงต่อเหตุการณ์ ยังไม่สราบจะบอกเล่าเก้าสิบกระพักพวกได้ยังไงว่าหลอนพบหินอะไรบ้างขณะที่พวกนั้นยังหลับสนิทกันอยู่เอผ่านพ จ, จนก็อะไรมาก็มากนะแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นอะไรที่มันชวนขนลุกเท่าที่เห็นอยู่นี่เลยตัวของพี่ใหญ่ที่ถูกยิงล้มนอนแงะแก่อยู่นั่นก็ยังไม่เท่าไร ไอ้ตัวที่ผมจิงกระโหลกแบะชิ้นส่วนของกะโหลกส่วนหนึ่งทิ้งเหลือไว้เราดูแล้วตัวมันก็เดินตัวปลิวหายไปได้อย่างสบายนี่สิจะมีอะไรพิลึกกึกกือมากไปกว่านี้อนุชาสารภาพขึ้นตามตรงทำหน้าหยีเกลุงอินเชทาเรียกเสียงหนักๆครูพราณผู้เฒ่ายืนหน้าเขียวอยู่ตรงหน้าตัวแข็ง ลุงพอจะอธิบายได้ไหมลุงเองก็ปรัดปรึงเรื่องวิชาในด้านนี้อยู่มากเนี่ยนายใหญ่นานอินเองก็เกือบเสียท่าหมดชื่อตายไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะนายหญิงตื่นขึ้นมาทันพรานใหญ่อาวุโสที่สุดในลุ่มสารวินพูดแทบไม่มีเสียงริมฝีปากของแกขมุบขมิด น้อยตื่นขึ้นมาก่อนทุกคนเหรอพี่ชายใหญ่หันขวับไปถามดารินยังตอบอะไรไม่ได้ในขณะนั้นหลับตาแน่นเอามือทั้งสองกดขามาับสายหน้าอยู่ไปมายังยังไม่รู้จะเอ่ยอะไรถูกขณะนี้ชัยยันและอนุชาก็มองมาที่หล่อนเป็นตาเดียวความเงียบปกคลุมอยู่ชั่ว อ, อึดใจเชษฐาก็เอ่ยขึ้นต่อไปว่า พี่คิดว่าพี่พอจะอธิบายได้นะถึงจะถูกต้องแค่ไหนน่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งกลางและพวกเราทุกคนคงจะงุนงงสงสัยว่าโดยบาดแผลที่ถูกยิงที่กลางยิงไว้จนกระโหลกและตรงหน้าซีกหนึ่งของไอ้ร่างอับปีนี่ที่ตกหล่นอยู่นี่อันเป็นบาดแผลชะกันที่สุดเหตุใดมันจึงไม่ล้มอยู่กับที่นั่นเป็นการวินิจฉัยกันในสภาพของชีววิทยา ที่คิดว่าไอ้เจ้าของชิ้นส่วนนี่มันเป็นสัตว์หรือมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อแต่ขอรู้ไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่ทั้งสัตว์และมนุษย์มันเป็นแต่เพียงซากโบราณซึ่งอดีตนานมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่ซากมันได้เคยเป็นมนุษย์มาก่อนเท่านั้นแต่ที่มันเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นมาได้จากทฤษฎีความเชื่อของน้อยในข้อที่ว่าเมื่อเวมกมนาลีเข้าสิงมันก็เคลื่อนไหว หรือกระทําการใดๆไ ด, ได้อย่างหุ่นยนต์อันไขาลานหรือใช้เครื่องวิทยุบังคับไม่มีความรู้สึกไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความตายเพราะมันตายมาแล้วกี่หมื่นกี่แสนปีก็ไม่รู้ลูกปืนของกลางนภะาแหล่งกะโหลกมันแบ่ออกส่วนใหญ่อันเป็ น, นกลไกที่จะเคลื่อนไหวได้ของมันยังเหลืออยู่มันก็พาตัวเคลื่อนไหวไปได้แบบเดียกรถยนต์ที่ถูกยิงโคมไฟแต่ ถ้าเครื่องยังไม่ดับมันก็ยังแล่นได้นี่คือเหตุผลที่ว่าเหตุใดโดนปืนตำแหน่งที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดของมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปแล้วทําไมถึงยังไม่หยุดลักษณะของมันเป็นแค่เครื่องจักรกลเท่านั้นขนาดตัวโน้นที่พี่ยิงเอาไว้คอหักพับมันก็ยังเดินได้เหมือนกันแต่พอยิงข้อเท้ากระดูกแหลกทรงตัวไม่ได้มันก็ล้มเป็นไม้ท่อน เหมือนรถจนที่ถูกยิงยางแตกย่อมไปไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นแล้วพอมันลม้มหนีต่อไม่ได้จะวิญญาณร้ที่ควบคุมบงการอยู่ก็ถอนออกทันทีทิ้งซากให้เป็นซากไว้ตามเดิมของมันสมมติฐานของพี่ขอนี้พอจะตรงกับความรู้สึกของเธอบ้างไหมน้อยประโยคหลังเขาหันไปถามน้องสาวดารินทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ สายศีษะอยู่ไปมาเสียงของหล่อนสันเครือแทบฟังไม่รู้เรื่อเพราะสับสนลิ้นพันกันไปหมดออน้อยน้อยบอกไม่ถูกครพี่ใหญ่คนที่จะบอกได้ดีที่สุดก็คือรพินนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ร่วมอยู่กับคณะของเราในขณะนี้ไม่ทราบว่าไปเป็นตายร้ยดีอยู่ที่ไหน ขาดคนคนนั้นชะแล้วเราไม่มีหลักประกันอะไรได้เลยค่ะในป่าลี้ลับน่าสยองกลัวนี้แล้วหล่อนก็ยกมือปิดหน้าร้องไห้ออกมาดังๆอย่างสุดที่จะระงับความรู้สึกอันแสนทรมานอยู่ได้ต่อไปสามชายลุกขึ้นทันทีพี่ชายใหญ่เข้ามารวบต้นแขนทั้งสองไว้เขยา่าเบาๆถามว่าเอาละน้อย ไหนลองบอกพี่สินั้นอินบอกเราว่าน้อยตื่นขึ้นมาก่อนคนอื่นน้อยเห็นอะไรในลักษณะไหนบ้างทําใจดีๆไว้ไหนอบอกไว้ก่อนออกเดินทางแล้วยังไงว่าน้อยจะไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งสิ้นเล่าสิน้องสาวเล็กซึ่งตื่นขึ้นมาเผชิญพบเห็นกับสิ่งอันหน้าสยองขนเหนือกว่าทุกคนในคณะกัดริมฝีปากแน่น จนแทบพ่อเลือดพยายามระงับอารมณ์อันกระจิดกระเจิงนั้นให้คืนสู่ปกติเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวน้อยจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดที่สุดว่าน้อยพบเห็นอะไรบ้างในขณะที่ตื่นขึ้นมาเพียงคนเดียวขณะที่ทุกคนในแคมป์นี้เหมือนตกอยู่ในภาวะถูกให้หลับไหลไปหมดแต่ขอให้น้อยพบเจ้าด้วนซะ ก, ก่อนนะคะไม่รู้ตอนนี้มันหายไปไหน ความจริงมันควรจะเป็นยามบอกเหตุให้แก่เราก่อนที่อะไรต่ออะไรมันจะเกิดขึ้นว่าแล้วหล่อนก็พละออกจากทุกคนไปยืนอยู่บริเวณที่โล่งกลางแคมป์ภายในวงล้อมของป่าหินนั้นป้องปากตะโกนก้องขึ้นกลางความเงียบว่าด้วนอยู่ไหนฉันเรียกเธอได้ยินไหมด้วนมานีสิ เสียงแผดกึกล้องของดารินดังแหลมไปทั่วมีเสียงแผลนตอบมาจากโขดหินบังของเส้นทางด่านใหญ่ที่จะเข้าสู่ที่ตั้งแคมป์อันเป็นบริเวณที่กว้างที่สุดแต่สำเนียงมันดูจะดังผิดไปจากอาการร้องรับเช่นเคยของเจ้าด้วนของหลอนทุกคนฟังแล้วเกลี้ยวกราดดุร้ายผิดหูไปแต่ดารินไม่รู้สึก พอได้ยินเสียงก็วิ่งเหาะๆหะสวนเข้าไปทันทีพร้อมกับตะโกนเรียกอยู่เช่นนั้นแผ่นดินเริ่มสะเทือนรอบด้านแล้วเงามาคือมาของภูเขาเคลื่อนที่ก็วิ่งโผล่ออกมาจากทางนั้นไฟฉายทุกระบบ ก, ก็สาดจับออกไปและทันทีที่ไฟจับได้ทันัดเชษฐาชยันและอนุชาก็ร้องตะโกนสุดเสียงราวกับนักกันไว้น้อย นั่นไม่ใช่ไอ้ด้วนห่างไม่เกินยี่สิบเมตรดารินแล่นเข้าไปหาอย่างหลงผิดส่วนเจ้ายักษ์ใหญ่นั่นก็ม้วนมวงพุ่งรีหูกลางพึ่งเข้ามาจากลำแสงไฟฉายงาทั้งสองข้างของมันดังสนิทราวกับนินเกือบจะเป็นเวลาเดียวกันทั้งสามชายรวมทั้งหั้นอินตวัรไลเฟินขึ้น อีแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นระหว่างที่ดาริงหยุดชะงักเพราะการตะโกนเรียกเสียงหลงและภาพของช้างใหญ่อันปรีเข้ามาที่หลอนซึ่งผิดไปจากเจ้าด้วนเสียงไรฟ้นสีกระบอกแผลประสานขึ้นแทบจะพร้อมกันเป็นเสียงเดียวดังเหมือนปืนพชาสารลึกลับตัวมาคือมาทล่มหัวลงจากอาการที่วิ่งเข้ามา ะนิดขาทั้งสี่ข้างกลางแผกับพื้นฝุ่นตลบเพราะแรงที่ตัวมันหล่นคืนลงกับพื้นแรงส่งจากการวิ่งทำให้ร่างที่พังภาพลงแล้วยังถลายลื่นมาเบื้องหน้าอีกร่วมเม็ดเหมือนถูกทุบด้วยพนินเหล็กขนาดยักษ์จากอำนาจแรงประทะของกระสุนไรเพิ่นจุดสี่ห้าแปดม็กสามนัดและจุดสมเจห้ามหนึ่งนัด ซึ่งพุ่งรวมจุดไปที่กลางกะโหลกส่วนหน้าแล้วบัตนั้นเองเสียงร้องประสานกันขึ้นยังดูร้ายของช้างอันไม่อาจจำแนกได้ถูกว่าอยู่ทิศทางใดบ้างแต่มันใกล้เหลือเกินแวดลอ้อมรอบแนวโคหินที่พักไปหมดก็แซ้ขึ้นแานว่าแผ่นดินบริเวณนั้นจะถล่มทลายลงเสียงก้อนหินพลิก เสียงฝีทเท้าเหยียบย่ำหนักหนักสับสุนอื้ออึงไปหมดมันล้อมเราไว้หมดแล้วกาลังพยายามบุกเข้ามาทุกด้านเชื่อถามีเสียงเท่าไหรก็ตะกนขึ้นอีกครั้งกระชากปลอกเก่าทิ้งยัดนักที่สองป่วมก็รังเพลิงเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้กระจายเขายึดหินที่กำบังยิงทุกตัวที่รอให้เห็น แหวกสัพปพปะสัมเนียงอันอลแมนไปหมดนั้นอนุชาประกาศก็แล้วออกแล่นธละปราดเข้าไปหาน้องสาวผู้ยังยืนจังงังนิ่งอยู่เบื้องหน้าซากช้างใหญ่งาสีดํำสนิทที่ล้มคล่อมดินห่างจากเบื้องหน้าหลอนออกไปเพียงแค่สามวาเท่านั้นตามหลังก็มาติดติดอีกเป็นพ้วนแบบแถวเรียงหนึ่งคือเจ้าภูเขากริ้งได้ทั้งสิน้นยังไม่ทันที่เขาจะถึงตัวดารินผู้ยังยืนนิ่งอยู่นั้น ก็ขนำนาทีสองออกไปในที่อันทึกไปด้วยฝายเดี๋ยวเวลาวิกาลเช่นนี้ฝาพายังใดอย่างนั้นเปลวปืนแลบยาวเป็นศอกแรงอัดของอากาศแทบจะทำให้น้องสาวปู่ตะลึงอยังทำอะไรไม่ถูกต้องขมาหน้าหูทางด้านซ้ายของหล่อ น, อนใกล้กินตะปางต้องไร้ก้นของพี่ชายที่วิ่งตามเข้ามาลั่นวิงบานแก้วหูจะไต อยากดวงตาทั้งสองข้างที่เบิกโ ล, ล่หลอนเห็นในตัวที่สองที่เล่นตามหลังตัวหน้าซึ่งร่วงถอยลงไปก่อนแล้วบัดนี้เบตัวกองร้องเสียงโอ๊กยาวยืนชวนเซด้วยอาการเกร็งอยู่แต่มันก็ถูกผลักดันโดยตัวหลังๆที่หนุนเนื่องเข้ามาอย่างบ้าคลั่งดุนหลังให้ส่วนหัวทิมตักลงกับพื้นแม่ นหินบริเวณนั้นงัดกระจุยขึ้นมาขาหน้างอคูลงก่อนแล้วขาหลังก็หงีบพับตางลงไปแต่ร่างของมันก็ยังคงถูกลุนให้เลื่อนเข้ามาครูดกับลื้นได้ยินทนั่ะเมื่อนั้นเองสไปจึงกลับคื้นมาเป็นของหล่อนยกไรนขึ้นแต่ยังไม่ทันยิงอุ้งมือแข็งกร้าวของอดีตพรานชดกรกระชากมาที่ไหลดึงเบี่ยงจนเส ร้อมตักเสียงตะวาดกรอกหูอยเร็วไปรวมกับพวกนั้นแล้วพี่ชายกลางก็กระโดดเข้าไปยืนแทนที่หลอนยึดซาดช้างงาดำอันน่าจะเป็นจากฝูงตัวนั้นใช้เป็นบังเกอร์ที่หลบซ่อนปาดปากกระบอกไรเฟิลเข้าสู่เป้าหมายต่อไปดารินวิ่งหันหน้าหันหลังหลอนเพียงแต่ถอยหนีออกมาได้ไม่กี่ก้าวเท่านั้นก็หันกลับไปทางเก่าอีก แต่เบื้องหลังของหล่อนเองยา น, นี้ชุลมุนไปหมดแล้วด้วยเสียงปืนที่ดังที่ยิบไม่เป็นจังหวะจากมุมต่างๆของบริเวณที่พักพร้อมทั้งเสียงตะโกนสั่งการผู้จ้ากันของพักพวกฟังไม่ได้สับโวยวายอึ้งนึงนไปหมดระคนไปกับเสียงโผง้างซึ่งล้องบุกขมัดทุกเส้นทางดัง ตอนนี้ไม่ทราบแล้วว่าใครเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนบ้างเพราะแต่ละคนก็เพ่นเข้าหาที่กำบงังหรือคิดว่าตนเองจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันชีวิตตนเองเป็นอันดับแรกและช่วยเหลือพักพวกคนอื่นๆเป็นอันดับต่อไปสแต่จะมีอกาสเส้นทางดานที่จะเข้ามาสู่แคมป์พักนั้นมันมีรอบด้านไปหมดเพียงว่าเส้นทางใหญ่ๆขนาดที่ช้างจะผ่านเข้ามาได้แบบเรียงเดียว มีอยู่แค่สี่ด้านนอกนั้นเป็นช่องทางแคบๆซึ่งเห็นชัดว่าโคหินก้อนย่อมย่อมกำลังสั่นโยกอยู่ไปมาด้วยแรงงัดหรือแรงดันอย่างบ้าเลือดภาวะนี้คือสงครามแบบประจันบานแล้วบุกเข้าประชิด ต, ตัวอย่างรวดเร็วที่สุดโดยช้างป่าจำนวนคเนไม่ถูกอันเป็นที่ประจักษ์ชัดกันออกไปแล้วว่าพวกมันได้ระบายพลซุ่มเงียบเข้ามา แอบรอคอยจังหวะอยู่ใกล้ๆก่อนแล้วเมื่อไอตัวจาาโหลงแพดเสียงร้องเหมือนจะให้สัญญาณโจมตีฉันก็บีบรุกเข้ามาพร้อมกันหมดทุกด้านจะเสียเปรียบฝ่ายมนุษย์อยู่บ้างก็แต่เพียงว่าการบุกตะลุยเข้ามาของมันไม่สามารถจะเข้าถึงตัวได้รวดเร็วนักเท่านั้นเพราะหนทางระบายพลมันแคบจากัดต้องเรียงหน้ากันเข้ามาทีละตัวนั้นอินผลักไปทางหนึ่งแล้ว แล้ววิ่งเข้ายิงสวนหน้าเจ้าตัวหนึ่งที่กวดไล่นายสวนหัวหน้าลูกหาเข้ามาจนแทบจะถึงบริเวณที่ก่อไฟไว้เพราะเนื่องจากกระสุนลูกซองแม้จะลูกโดนก็ยิงไปยิงแล้วยังไม่ลงหลักทวีความเร็วกราดดูร้ายยิ่งขึ้นขวดไล่เหยียบทานครูผู้เ่าวิ่งเข้าใส่แล้วยิงในระดับเอวที่ถืออยู่โดยไม่ต้องประทับเนื่องจากเผชิญหน้ากันไดบจังจี้จํางใจ งวงมันริม ร, มริมจะเอื้อนถึงหลังนายชวนเท่านั้นโครมเดียวถูกเข้าที่ไหนไม่ทราบได้ไปมาเสียหลักปัดตีจากนั้นจะโดยมือของชั ย, ยันหรือเชิถาก็แยกไม่ถูกแล้วซักผางมาด้วยจุดสี่ห้าแปดเข้าอกเขาหน้าที่มันเบี้ยบเบนหันข้างใ ห, ให้ช้างนรกตัวนั้นจึงล้มตะแคงตึงพาดคาก้นเกือบจะทับขยิ่ ผู้กำลังกระชากรางเลื่อนปืนลูกซองปั๊มแอคชั่นของมันชนิดทีเจ้านักเลงโตลมช้างร้องวะเห็นลบไปได้ยังบุตริกก่อนคตจะสารใหญ่จะลม้มทับแบนเป็นกล้วยลูกหากทุกคนความจริงก็ล้วนลูกบ้านของราพินไทยวันและแต่ละคนก่อนจะมาก็คัดเลือกมาอย่างดีแล้วทั้งสิ้นเกือบจะเรียกได้ว่ามือพรานทั้งหมดแม้จะอาวุโสไม่ถึงอันดับหนึ่ง อย่างเช่นพวกบุญคำจันเกิดหรือเสื่อเจ้าสีทหารเอกนั่นก็จริงทาว่าแต่ละคนก็ไม่ใช่มือใหม่หรือแค่ชาวบ้านป่าธรรมดาเลยพร้อมที่จะผเผชิญกับสถานการณ์ร้ายในป่าได้ทั้งสิ้นดังนั้นทุกคนจึงรู้ว่าควรหลบหรือเคลื่อนไหวยังไงแล้วควรยิงยังไงยิงตัวไหนก่อนเสียงกระสุนทังลูกซองและไรเฟิล ดังประสานกันกลบเสียงแผดร้องยังคู่รรรามยังทับขวัญของมันหมดช้างร้องดังก็จริงแต่ถ้ามากมากตัวเข้ามาช่วยกันโกนจานาทเหมือนกองทัพโหอยู่ใกล้ๆในขณะ น, นี้มันก็หาดังไปกว่าตำนาดของปืนรวมแล้ว16กระบอกไหมสะเทือนดับแล้วหูดับไปในไพรพฤกยามดสังเกตไอโคหินรอบด้านก็ลั่นอยู่คึกๆก บ้างก็เริ่มเคลื่อนไหวโยกค่อดูร้วก็ว่าพวกมันซึ่งยังกระเนื้อำนวนไม่ได้จะช่วยกันโกยหินใหญ่เหล่านั้นเข้ามาทับฉะนั้นสภาพโดยแท้จริงเป็นความมืดมีแต่แสงไฟฉายเท่านั้นที่สาดอยู่ไปมาสลับไปกับกระสุนแตกเสียงร้องของเหล่าโฆษรมีอยู่สองประเภทคือร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะถูกปืน ตับร้องแบบคู่คำรามของไอตัวหลังๆที่พยายามจะพลูกันเข้ามาเทว่าร่างกายของพวกมันกันเองที่ถูกยิงล้มไปก่อนแล้วจุกคาขวางปากทางเข้าอยู่เป็นอุปสรรคไม่ให้มันวิ่งรัวพลาดเข้ามาถึงบริเวณทางพักโดยง่ายหรือเร็วเกินไป น, นั้นมันก็ยังพยายามไต่ซาก ข, ของพักพวกตักายเข้าให้ได้ ผิดกับสภาพของช้างป่าโดยทั่วทั่วไปเหมือนจะมีอำนาจลี้ลับชนิดหนึ่งสั่งบังคับบงการหลักใยอยู่ลมก็ลมไปไอ้ที่ยังไม่ถูกปืนก็ตะลุยต่อจุดมุ่งหมายประกาศโจ่งชัดว่าจะประชิด ต, ตัวและขยี้ให้หมดทั้ง16ชีวิตของฝ่ายมนุษย์อันตกอยู่ในวงล้อมของพวกมันแล้ว ทั้งสี่ด้านของปากทางเข้ากองเป็นภูเขาเหล่ากาเลือดสาดกระจายทุกคนยิงและยิงทุกตัวเท่าที่จะเห็นแล้วยิงด้วยมืออันฉมังยิงส่วนมากตัดเข้ากลางรกระโหลกผ่านสมองทั้งสิน้นตูมสุดตมสุดแทบทุกตัวยกเว้นกระสุนลูกโดดจากปืนลูกซองของฝ่ายลูกหั ซึ่งอาจจะทำให้ล้มช้าไปบ้างและมีโอกาสที่จะล้งเข้ามาจนถึงบริเวณลานทักได้แต่ก็ปวดไล่เยียบขยี่ใครไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวแม้จะหวุดหวิดหวุดหวิดบ้างก็ตามแล้วไอ้ตัวนั้นก็จะพุนไปหมดด้วยการเจาะทะลวงผ่านของกระสุนที่พุ่งมาจากทิศทางตา่ตางๆชา ย, ยันถอยหลังเข้าหาผนังโคถินลูกใหญ่ที่สุดน้าหนัก20ตันขึ้นไป เพื่อไม่เปิโดโอกาสให้อตัวไหนมันเข้าทางด้านหลังเขาได้แล้วก็คอยจ้องยิงไอตัวที่จะผ่านแนวยิงของคนอื่นๆเข้ามาได้จากทิศทางด้านต่างๆกระสุงไรเฟิลสำรอง20สนักที่ดารินขอร้องให้ทุกคนบรรจุใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงไว้ก่อนแล้วเมื่อก่อนจะเข้านอนเพื่อจะมาปรากฏเห็นคุณประโยชน์ชัดเจนเอาเดี๋ยวนี้เองหาไม่เช่นนั้นแล้ว ก็คงจะต้องวิ่งเข้าไปรื้อกลองกระสุนหรือค้นหาตามเป้หลังที่บรรจุไว้อันจะทําให้ล่าช้าไม่ทันการแต่นี่พอยิงหมดแม็กกาซีนก็เปิดลูกเลื่อนล้วงกระสป๋าออกมาบรรจุชุดใหม่ได้ทันทีและการรวมกลุ่มกันอยู่ถึง16คนเช่นนี้ทําให้แต่ละคนที่กระสุนหมดยังพอมีโอกาสที่จะบรรจุชุดใหม่ได้ทันการเนื่องจากพักพวกคอยช่วยยิงสกัดแทนไว้ให้ก่อนในระหว่างที่ตนเองหมดกระสุน ภาวะนี้การบรรจุกระสุนก็ดีการกระชากลูกเลื่องขึ้นล้มก็ดีการวาดปืนยิงในระยะที่เรียกกันว่าตะลุงบอลใกล้ๆและการขายปลอกกระสุนเก่าทิ้งบรรจุนัดใหม่ขึ้นก็ดีทุกคนต้องอาศัยจากประสบการณ์ความจานานที่เคยผ่านมา ก, ก่อนแล้วทุกคนแม้จะตกใจแต่ก็ไม่ถึงกับเสียขวัญเพราะในอดีตนั้นสภาพเดียวกันนี้ได้พบมาก่อนแล้ว เมื่อตอนโุ้งของไอแวงเข้าโจมตีเขีถาปักหลักอยู่ใจกลางแคมป์ทางด้านอื่นเขาไม่ระวังนักเพราะเชื่อมือชัยยันและหนานอินดีว่าคงจะรับหน้าที่ไปตนเองทาหน้าที่เป็นปืนสามคอยระวังหลังให้แกน้องชายกลางและน้องสาวเล็กซึ่งดักอยู่ทางด่านใหญ่ที่สุดเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองบรรจุประสุชุดใหม่ทัน หากว่าชุดที่บรรจุอยู่ในปืนหมดลงระหว่างที่มีตัวไหนชาร์จใกล้เข้ามาขณะเดียวกันก็คอยระวังว่าถ้าไอตัวไหนมันโผล่พ้นแนวยิงปะทะต้านทานเข้ามาถึงบริเวณที่ตั้งแทมได้ก็จะเก็บอย่างเฉียบคาแบบโครมเดียวสุดพวกปา ก, กตะโกนไม่ขาดเสียงให้น้องสาวคนเล็กถอยก็ามารวมกลุ่มกับเาแต่ารินยังยืนปักหลักอยู่ตรงนั้น ชนิดไม่ฟังเสียงใคร่อนช่วยพี่ชายกลางตอกกะโหลกของไอ้โขลงช้างผีที่หนุนเนื่องกันเข้ามาไม่ขาดระยะ ท, ทั้งทั้งที่ตัวแล้วตัวเล่าถูกปืนสุดหมอบลงแล้วกลายเป็นเครื่องกีดขวางพวกมันเองไม่ให้ย่ำมาได้เร็วเกินไปนะหมายใหญ่ระวังลังเสียงใครคนหนึ่งจาได้ว่านานอินแน่แน่ร้องเสียงหลงเชิดาหันควักมา เห็นอย่างใจหายใจควม่มตัวครูพรานผู้เฒ่ามือถือไรเฟิลก็จริงแต่ตัวไกเอมวิ่งแจ้นมาจากปากค้างด่านด้านหนึ่งกระโดดข้ามกองไฟโดยมีไอสีดอตัวขนาดกำลังคล่องแคล่วว่องไวกวดไล่หลังเอางวงคว้ามาติดแต่วิ่งซิ่แซกหลบอยู่ในระหว่างโขดหินเตีย้ยเตีย้ยไม่ได้หันกลับไปยิงเข้าใจว่ากระสุนในแมกกาซีนคงหมดแล้วยังไม่มีโอกาสบรรจุ โกร้องเตือนเขาก็เพราะว่ามันเปลี่ยนเต้าหมายแล้วควบรีเข้าใส่เขาเงาของก็ะยินวิ่งล่อตัดหน้าอย่างกล้าหาญที่สุดแล้วยิงโตมด้วยลูกซองของตนแต่ไรผลมันแผดเสียงร้องต้องอย่างโกรธแทนและไม่ยอมเปลี่ยนที่หมายคือตรงมาอย่างเขาอันบาดนี้ห่างแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นพี่ชายใหญ่ของคณะบาดกระบอกไรเฟ้นเข้าใส่เนียวไก แทนที่มันจะดังคลืนขึ้นกลับได้ยินเสียงเข็มแทงฉนวนดีแชะลงไปในรังเพลงที่ว่างเปล่าในเชิถาก็คือเชฐาแม้จะเรือ้อตาไปเป็นปีเข้ากระจนลอยตัวทั้งตัวลบกลายงวงที่ฝ้าตูม ล, ลงมาอย่างฉิวเฉียดแล้วสะดุดง่หินล้มรีรวมทั้งเจตนาที่จะกลิง้งตัวเองหลบหนีมริตยูเข้าหาซอกหินตำแน่งหนึ่ง โดยมีเจ้าสีดอตัวนั้นจี้งวงตามยยิ้เข้าใส่ดารินได้ยินเสียงนั้นล่อนเอี้ยวตัวกลับจุด300ศูนย์ยเวทเทอรแม็กแฮตแหลมกึก้องร่อนยิงโดยไม่หลิงเพราะระยะมันก็อยู่ในแวบวงไม่เกิน20เมตรรอบตัวนั่นเองหน้าตัดเล็กอดานามิกช็อปสูงปะทะเข้าตรงโคนหน้ากระดูกขาแตกทันที มันเสียหลักสุดร้องลงมาเหมือนกันไม่ใช่จะร้องไม่เป็นหรือร้องได้แต่เฉพาะครูคุก ค, คามเท่านั้นมันสั่นเทิมเห็นชัดหลอนตบลูกเลื่อนกระชากล้อเก่าทิ้งกระเด็นแผ่วแล้วพรักรสุนหัวแข็งนักใหม่เข้ารังเพลิงคราวนี้โวูบขึ้นเลกกะไปที่ขมับข้างดวงตาซ้ายแล้วตอกซ้ำเป็นนัดที่สองบึมเดียว สลัของกลางแคมกระดูกขมักเป็นกระดูกอ่อนที่สุดส่วนหนึ่งของมันกระเด็นแฮกออกมาทางปากแหล่ทางออกชิ้นขนาดฝ่ามือจะมีอะไรเหลือมันล้มตะแคงฐางขาดใจก่อนร่างกายจะกระทบพื้นซะด้วยซ้ำหันกลับมาทางที่ชายกลางใจหล่อนลนลงไปอยู่ที่ตาตุงเพราะพรานช็อตตอนนี้ก็ใส่ตีหนหมา โอยเอ้าบ่ายหน้าไปทางกระโจมพักขณะที่วิ่งเชียดรลอนร้องตะโกนบอกอะไรหลอนไม่ได้ยินเพราะว่าที่เห็นแน่แก็คือไอ้ช้างอมยัยหิดพิธรรมชาติช้างป่าพุ่งง้าติดหลังมาเช่นนั้นแม้จะไม่กระชั้นชิดนักแต่มันก็กดไล่อนุชาชนิดเอาเป็นเอาตายนั่นแปลว่าเขาบรรจุกระสุนแบบลูกเลื่อนไม่ทนันติทั้งทั้งที่กำกระสุนสำรองไวในมือแล้ว เขาวิ่งพลางบันจุพลางอย่างลุกลี้ลุกลนมันไม่สามารถจะทำได้ทันหนักนักหลอนแว้งตัวกลับอีกครั้งราวกับนักยิงส ก, กิดแต่ส ก, กิดของหลอนนั้นแทนที่จะเป็นเคลเบอร์หรือเป้าอันเป็นนกกระเบื้องเปาะเปาะมันกลายเป็นช้างตัวเท่าตึกดารินคบฟันแน่นเมื่อมันไล่กวดอนุชามันก็ต้องผ่านหลอนนั่นแหละคนแรกที่จะถูกกระทืบ หรือที้มด้วยงาคงไม่ใช่อนุชาที่แล่นเอ้าวไปด้วยฝีเท้าปานลมกรดแล้วหรอกแต่หากจะต้องเป็นหล่อนนั่นแหละไม่ได้คิดหวาดหวัน่นท่านพลึงอะไรอีกแล้วแม้แต่นิดหนึ่งนอกจากสันตชาตะยานแห่งการฆ่าอย่างเดียวดาลินโดดออกไปขวางหน้าไวชนิดใครดีใครอยู่มันก็ปากหัวดิ่งพุ่งงาขนาดกระทัดรัดแหล่งอนพองงามนั้นเข้าใส่นักสุดท้ายของชุดนั้น กัำปนาฏออกไปกระเทือนเลื่อนลั่นความจริงแล้วกระสุนขนาดจุด300ศูนย์เวเทอร์แม็กเล็กไปหน่อยสำหรับสัตว์ดุร้ายอันตรายน้ำหนักตัวมากขนาดช้างในลักษณะประชิด ต, ตัวแบบนี้แต่เสมือนกระแสจิตของราพินไพร์วันจะเข้ามาเซงอยู่ในกระสุนนัดนั้นเนินน้ำเต้าพอดีนัดนั้นจึงเป็นนัดสั่งหรือนัด ประกาศสิมันล้มเหมือนปั้นจันที่สายชักรอกขาดขาทั้งสี่กลางแพ่เหมือนตัวแรกที่ถูกประเคนเข้ากระโหลกพร้อมกันทั้งสี่นักแต่ของหล่อนนั้นแค่นักเดียวก็เจ้าไร ฟ, ฟ์นประวัติศาสตร์กระบอกเดียวกันนี่แหละระบอกที่ปริชีพไอแวงมาแล้วในครั้งกันนั้นทุกคนเขาวิ่งหลบย้ายที่ยิงอยู่ไปมา ราชสกุลสาวคนเดียวเท่านั้นที่ปากหลักอยู่กับที่กระสุนที่ล้วงขึ้นมากันอยู่ในมือยัดเข้ารังเพลิงอย่างเยือกเย็นที่สุดระหว่างที่คนอื่นๆอยู่ในภาวะวิ่งเหมือนมดแตกรงังแล้วใจร้อนราวไฟเผาทุกคนยิงไปด้วยตะโกนร้องพูดอะไรกันวุ่นไปหมดมีหล่อนคนเดียวเท่านั้นไม่ร้องไม่พูดไม่สั่งการใดๆกับใครทั้งสิ้นนอกจากจะบอกอยู่ภายในใจตนเองว่า เข้ามาเชิญพวกเองเรียงหน้าเข้ามาเรากับพวกมันจะรับรู้การพักทายของหล่อยมันเรียงหน้าเข้ามาจริงเหมือนจะไม่มีการสิ้นสุดกำลังเหยียบย่ำไต่ขึ้นมาตามซาก ข, ของเพื่อนที่นอนตะแคงบ้างหางภาพกับพื้นอยู่บ้านชนิดไม่ละความพยายามเหมือนทหารเผ่าซูลูที่บุกเข้าโจมตีที่มันทหารอังกฤษในประวัติศาสตร์ ผิด ก, กันแต่เพียงว่ามันเป็นกองทหารช้างเท่านั้นถ้าตายก็รู้แล้วรู้รอดไปถ้าเพียงแค่เจ็บก็อย่านึกว่าจะถอยเหมือนจะวิ่งเข้ามาวิไงฝ่ายมนุษย์ฆ่าซะให้หมดแต่ถ้าฆ่ามันไม่ทันก็จะเป็นฝ่ายถูกฆ่าบ้างดารินนั้นยิงเร็วป้อนกระสุนนัดใหม่เร็วก็จริงแต่ตอนบรรจุกระสุนหล่อนช้ากว่าคนอื่น เพราะมองไม่เห็นปากแมกกาซีนได้ถนัดและกระสุนที่กำรรสำรองเอาไว้ก็ไม่ได้เรียงเป็นระเบียบเอาหัวหรือท้ายไปทางเดียวกันหาแต่สลับกันบางนัดก็เอาส่วนปลายขึ้นบางนัดก็เอาจานท้ายขึ้นซึ่งหลอนก็ต้องมัวแต่พลิกกลับอยู่ในภาวะเช่นนี้เป็นคุณอื่นย่อมจะต้องวิ่งก่อนแล้วแต่หลอนกลับก้มหน้าก้มตาบรรจุต่อไปแลปะ อยู่กับที่เหมือนคนไม่มีวิญญาณอยู่เช่นนี้มิยายเสียงร้องสนั่นวันไหวจะดังเตือนมาจากพักพวกเช่นไรแล้วหล่อนก็บันจุกระสุนชุดนั้นไม่ทันจริงๆเมื่ออีกตัวหนึ่งก้าวเหยียบพ้นซากของไอตัวแรกเข้ามาได้พร้อมทั้งเล่นเยาเยาเข้ามาเหมือนช้างศึกที่มีควานใสอยู่บนคอบังคับเพียงแต่มรองไม่เห็นตัวผู้บังคับใสมันเท่านั้นนายิงลก ใครคนหนึ่งร้องดังกว่าช้างสิเป็นภาษากรีง่งแล้ววูบนั่นเองร่างสูงใหญ่ก็ปะทะหลอนเต็มแรงร่างของดารินผู้กำลังบรรจุนัดสุดท้ายลงไปบนปากลิ้นแมกกาซีนที่ลูกเลื่อนเปิดทางอยู่หลอนปิวทั้งตัวกระเด็นแล้วล้มกลิ้งเข้าไปที่โคนของชะง่อนหญินที่ยื่นล้ำออกมาในลักษณะนอนรงฐานเป็นโพรงแคบแผู้ทลันก็ชนหลอนคือขยินนั่นเอง ใบ้ฟนของหญิงสาวหลุดจากมือขณะที่พริกคว่ำขมำหงายนั้นซึ่งไอ้ช้างผีลงตัวนั้นก็เข้าถึงตำแหน่งเดิมที่หลอนยืนอยู่พอดีขยินได้พิสู ต, ตัวเองเอาเดี๋ยวนี้เองว่าเมื่อภาวะจำเป็นขีดสุดมากมันก็พร้อมที่จะสละชีพแทนนายหญิงได้ ปีดนักเลงโต่หล่มช้างจอลูกซองเข้าไปที่โคนงวงอันแห่งจากปากลำกล้องปืนของมันแค่ไม่เกินสามวาดปดตึ้งเข้าไปให้พร้อมๆกับกระสุนระเบิดงวงที่หมวนจุกปากอยู่นั้นก็สับปัดเสยขึ้นทุกคนเห็นด้วยตาอันเหลือกลานว่าร่างของเจ้าอดีตองคูรีมานแห่งหล่มช้างลอยจากทั้งตเหมือนถูกแรงระเบิดดันมือกลางตีนกลา สูงขึ้นจาก7ืหรือฟุตแล้วก็ลนแวบบพ้นจากหินก้อนนั้นหายลับไปในพริตตางซึ่งไม่ทราบว่าออกหัวออกก้อยพอเหนียงแขนขาแหลกเหลวในสภาพใดบา้างเทสากัวตามเข้ามาอย่างไม่คิดชีวิตปากอตะกอนเรียกน้องสาวอย่างใจหายใจคว่ำขณะนี้เขาเองก็ขาดสไปเหมือนกันแต่อนุชาไยันและนันอิน กับพวกลูกหากอีกสองสาคนที่อยู่ในทิศทางนั้นกระดองกระสุนก็ามารวมจุดอีกครั้งประสานเป็นเสียงเดียวกันแนวกระสุนกระทบในตำแหน่งต่างๆของหัวอันใหญ่โตของมันรวมทั้งร่างกายส่วนอื่นๆไม่ทันจะสิ้นกังวันปืนที่ยิงเขามารวมจุดหลายกระบอกช้างพลายบ้าเลือดตัวนั้นก็ล้มทั้งยืนลงอีกครั้งแล้วการล้มของมัน ก็เป็นการล้มทับลงไปตรงตำแหน่งชะงอนโคถินที่ดาริมนอนกลิ้งอยู่นั่นเองภาพของหญิงสาวหายวับไปกับตาเช่นเดียวกับขยินเมื่อครู่นี้เห็นแต่ซากช้างกองเป็นภูเขาเลากาแทนที่ท่ามกลางความชุลมุนคับขันขีดสุดซึ่งโคลงช้างลึกลับกำลังระบายพลหนุนเนื่องเข้ามายังใจกลางแคมป์ที่พักของฝ่ายมนุษย์ ชนิดไม่มีอะไรจะมายุติมันได้และบัดนี้ฝ่ายมนุษย์ก็ตกอยู่ในภาวะเกือบจะเรียกว่าขวัญเสียภาวะพวาวังเต็มที่เพราะมองเห็นวี่แววของอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนของฝ่ายตนอย่างถนัดตาคือดารินและขยินอันยังไม่รู้แน่นอนว่าทั้งสองตกอยู่ในสภาพใดจากภาพวาดเสียวที่มองเห็นกันชั่ววูบวาบนั้นชยันก็ตัดสินใจแบบทหารทันที พลุที่จะให้แสงสว่างด้วยพลังราวห้าหมืนแรงเทียนที่ถือพร้อมอยู่ในมือยิงปังขึ้นไปบนอากาศดํามืดเบื้องบนวิบ ต, ตาเดียวมันก็แตกเป็นสะเก็ดลูกไฟเบื้องสูงแล้วขยายวูบกลายเป็นลูกไฟดวงมาคือมาส่องแสงสว่างสวัยราวกับกลางวันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในละแวกนั้นอย่างกระจางแจ้งชัดเจนที่สุด ความสลัวรางเงาตะคุ้มตะคุ่มทั้งมวลบัดนี้ถูกขจัดออกไปหมดสิน้นแล้วก็ยิ่งสว่างเพิ่มขึ้นทุกทีที่ตัวพลุอันมีลักษณะเหมือนร่มชูชีพนั้นค่อยค่อยย่อนตัวต่ำลงมาอย่างช้าชทุกคนหมอบกับพื้นยืดที่กำบังก่อนจะถล่มมันด้วยระเบิดมือหมอบกับพื้นใช้ยันตะโกนก้อง พร้อมกันเขาก็กระชากสลักนิรภัยของระเบิดมือชนิดทำลายสถานที่มากกว่าที่จะมีสะเก็ดสังหารบรรจุอยู่มากเกินไปนักมันเป็นระเบิดน้อยนาอันมีรัศมีของสะเก็ดเฉียงขึ้น45องศาโดยไม่เลียดไปกับพื้นคว้างโดองออกไปจากบริเวณที่พักอันถูกโจมตีนั้นการให้ลอยไปไกลพอสมควรแล้วตนเองก็สุดลงนักไม่ถึงอึดใจเท่านั้น เสียงระเบิด MK2 ก็สะเทือนแผ่นดินขึ้นเหมือนกระสุนปื น, นมีประเทศแวดล้อมอันเป็นป่าหินสูงสูงต่ำตำใหญ่น้อยที่แวดล้อมอยู่ในขณะ น, นี้มันสทานวันไหวยิ่งกว่าฟ้าผ่าสะอีก